ความสําคัญในการทําบุญเกี่ยวกับวันเพ็ญเดือนสิบซึ่งก็ตรงกับวันนี้คือวันเพ็ญเดือนสิบมันไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อถึงแม้จะเป็นเรื่องความเชื่อแต่ก็เป็นความเชื่อที่สอดคล้องกับความจริงที่มีการปล่อยญาติทิพย์ผีปีาศาจญาติทิพย์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้นออกจากเมืองยมโลกให้มารับส่วนบุญส่วนบุญสําหรับบุคคลผู้ยังมีชีวิตอยู่ในโลก ที่เกี่ยวข้องเป็นญาอันเนี้ยก็มีมีความเป็นอย่างนั้นจริงถามว่าทำไมต้องปล่อยเดือนนี้ในรอบปีมีการปล่อยตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบวันอื่นทำไมไม่ปล่อยตรงนี้ก็ยังต้องไปถามพยายมทาไมปล่อยวันนี้ม่กนัน <c oughs> ก็ไม่ได้ถามสักที เพราะว่ารอบเดียวเหือเาะทั้งปีงนคะก็รอบเดียวอันนี้คือปล่อยในปุกคนผู้อยู่ในฐานะของผู้ระบุญหมายถึงว่าในเวลาการชดใช้กรรมของสัตว์น ร, รกเนี่ยเ ม, เมื่อถึงเวลาหมดปั๊บเนี่ยยังไม่มีบุญพอที่จะได้ไปเกิดเขาก็ให้อยู่ในการควบคุมอยู่ในการควบคุมคือใช้เศษกรรมเล็กๆน้อยๆที่เหลืออยู่ เป็นเปรตบ้างเป็นผีบ้างเป็นปีศาบ้างอยู่ในเมืองยมโลกการชดใช้กรรมในเวลานั้นเขาก็จะอาศัยช่วงระยะเวลานี้คือวันเพ็ญเดือนสิบนี้ที่จะปล่อยให้มารับบุญได้ปีละครั้งเพื่อที่จะอาศัยผลบุญนี้ไปสู่ภพภูมิที่ดีที่เขาต้องปล่อยวันนี้ก็เพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาคือวันพระก่อนหน้านี้ก็มีการปล่อยกันมาอย่างนี้เหมือนกันนั่นแหละ มีการปล่อยกันอยู่ก่อนหน้าจะมีพุทธศาสนานะแต่เรื่องเรียกว่าพวกเปรตผีปีศาจรล่านั้นไม่ได้รับบุญเพราะไม่มีการอุทิศสุกสนในหลักศาสนาอื่นแต่พระเจ้าทรงทราบเหตุกับฐานะของเปรตที่รอรับผล บ, ผลบุญอันนี้ว่าเหตุคือการถูกปลดปล่อยออกมาแล้วก็พวกนี้จะอยู่ในฐานะของผู้รับสุกสนคงจึงสอนให้อุทิศสุกสน เช่นเปรตเป็นญาติของพระเจ้าพิพิสารคือพ้นจากนรกแล้วมาเกิดเป็นเปรตการพ้นจากนรกมาเกิดเป็นเปรตนั้นมาเป็นเปรตตั้งแต่ยุคสมัยของผู้ได้เจ้าพนามว่ากักุสันทะต้นพัทธลกับต้นพัทธลพัทธลกับมีผู้ได้เจ้าพนามว่ากักุสันทะอุบัติขึ้นก่อนจนเลยมา ในยุคของพระสมณโคดมพุทธเจ้าโอที่สี่เปรตเหล่านั้นก็ยังไม่ได้รับบุญนั่นคือความเป็นอยู่อย่างแรงแข้งของพวกเปรตที่ต้องชดใช้กรรมในส่วนที่ตัเองได้กระทำไว้การที่ไม่ได้รับบุญในยุคสมัยของพุทธเจ้าพระนารวาก ก, กุสันหานั้นเพราะญาติที่เป็นมนุษย์ไม่มีในโลกในเวลานั้น mm. เมื่อญาติที่เป็นมนุษย์ไม่มี mm. ก็มีใครทําบุญที่สุขุศนให้ จะหวังลอยจากพระพู้ไดเจ้าพาู้ด้เจ้าพระนามว่ากัคคูสันทะก็อุทิศบุญให้ไม่ได้เพราะไม่มีสายใยถึงความเป็นญาติอุทิศให้ไม่ได้จะได้เฉพาะบุคคลผู้เป็นญาติเกี่ยวข้องกันเท่านั้นถ้ากัสปะผู้ธเจ้าโกนาข้ามนาผู้ไเจ้าพระกัสปะผู้ไดเจ้าก็อุทิศให้ไม่ได้เพราะไม่ได้ใช่ญาติทีนี้ญาติในสมัยของผู้ได้เจ้าเรานามว่าพี่พี่สาร ญาตินั้นคือเป็นญาติของเหล่าเปรมาแต่ครั้งต้นกับพระธรกับนีในใน้ในตั้งแต่ต้นกลับทําบุญถวายทานกับพระพุทธเจ้าแล้วลืมนึกถึงเหล่าญาติไม่ใช่ลืมคือไม่ได้ใส่ใจว่าจะต้องอุทิศหรือเปล่าไม่ได้ใส่ใจและก็ไม่ได้รับการแนะนําจากพระพุทธเจ้าเพราะมัวแต่ใส่ใจอยู่ว่าพระองค์เสด็จมาสู่เมืองแล้ว ควรจะประทับอยู่ณที่ไหนตึกนึกถึงแต่อุทยานว่าบริเวณอุทยานน่าจะเป็นที่เหมาะที่ควรที่พักแก่พระสมมาสมุบบริเจ้าจึงกําหนดบริเวณอุทยานให้เป็นที่พักอุทยานนั้นก็ที่ไหนรัฐทวันใช่ไหมสวนตันนมให้เป็นที่พักอยังไม่ใช่วัดนะตรงนั้นนะ่ะวัดแรกคือวัดเวลุวัน แต่ตรงลับธิวันนั้นยังยังไม่ใช่วัดเนาะให้เป็นแค่ที่พักชั่วคราวในเขตพระรลบชาติอุทยานทีนี้เนื่องจากญาต์นะคือพระเจ้าวิพิสารเนี่ยทำบุญแล้วไม่ได้อุทิศใส่ใจแต่การประทับอยู่ของพุทธองค์เปรตทั้งหลายผู้มีใจหวังอยู่ว่าญาติของตนคือพระเจ้าพิพิสารเนี่ยเวลาทําบุญแล้วแต่อุทิศให้ตามคําบอกเก่าของพระเจ้าองค์ก่อนๆมาทั้งสามพระองค์พอทั้งสามพระองค์จะรู้ว่า เปตเหล่านี้จะได้รับบุญจากญาติของตนชื่อว่าพระเจ้าพิมพิสารให้ไปรอรับอยู่ในยุคนั้นยุคพระสมณโคโดมนั้นพระเจ้าพิพิสารจะทําบุญและวจะอุทิศให้แต่วันนั้นพระเจ้าพิพิสารไม่ได้อุทิศให้เมื่อพระเจ้าพิพิสารไม่ได้อุทิศให้เปตก็เลยถึงความสิ้นหวังควนรคลางโอดโอยและส่งเสียงร้องอันน่าสะพึงกลัว เป็นเสียงที่ร้องออกมาจากความทุกข์ความทรมานความเสียอกเสียใจนั่นคือสภาพความเป็นอยู่ของเราเปตที่เกี่ยวเนื่องกับญาติของมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้คําว่าเปตที่เป็นญาตินั้นไม่ใช่ญาติเฉพาะในปัจจุบันคือไม่ใช่ญาติเฉพาะที่เราได้เห็นกันหรือได้รับทราบตามสายของบรรพบุรุษแต่เป็นญาติที่เกี่ยวเนื่องสืบกันมาไม่รู้กี่พบกี่ชาตินับพบนับชาติมีทั้วแล้วนี่ เป็นตัวอย่างในเรื่องของพระเจ้าวิพิษานี้ว่าเปรตที่เป็นญาติของพระ อ, องค์นั้นผ่านช่วงระยะเวลาความเป็นพระพุทธเจ้ามาถึงสมพระ อ, องค์ก็ยังไม่ได้รับบุญสแสดงว่าเราเปรตทั้งหลายผู้หวังรอรับผลบุญหวังกุศลหวังความสุขความเจริญจากการที่เราได้อุทิศบุญไปให้เนะี่ยมีอยู่เป็นจำนวนมากไม่ใช่น้อ ย, อยเมื่อเปเรตเหล่านั้นหวังผลบุญจากมนุษย์อย่างยิ่ง อย่างยิ่งเลยนะคือคอยจ้องคอยติดตามคอยกําหนดหมายใจอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่ญาติจะอุทิศให้เมื่อไหร่ญาติจะอุทิศให้อย่างนี้บางครั้งก็เข้าฝันโดนใจบางครั้งก็ส่งเสียงกุกกุกกะกเงี้ยบางครั้งก็ไปเกาอยู่ฝาเรือนติโรปุท ธ, ธะจึงมีคําว่าติโรปุทธาเกา คือคค่าคเอามือนี่แหละไปเกาไปเคาะส่งสัญญาณให้ญาติได้ทราบทีนี้พระจำพิพิสารไม่ทราบในเหตุนั้นได้ยินเสียงอนนาสะพึงกลัวก็ตกใจในเวลาการดึกไม่ทราบว่าเป็นเสียงของเปรตที่เป็นญาติของตนก็มีความสงสัยว่าเหตุไรอันใดจะมีกับกับเราจึงได้ไปลึกถึงพุทธองค์และถามพุทธองค์ในคืนนั้นเลยไปไปในคืนนั้นเลย mm hmm. พุทธองค์ก็บอกว่าเหตุไรไม่มีอะไรกับมหาบุพพิตร เป็นเพียงแต่ว่าพญาติเก่าๆของพระ อ, องค์ไม่ได้รับส่วนผลบุญซึ่งเป็นเปรตมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วเขาไม่ได้รับบุญเมืม่อวานพระ อ, องค์ทําบุญแล้วไม่ได้อาทิศให้เขาเขาก็เลยเศร้าใจเสียใจผิดหวังจึงส่งเสียงร้องโหยหวนให้พระ อ, องค์ทรงรู้ฐานะแห่งความเดือดร้อนของเขาพระเจ้าทิพิษานก็เลยกราบอาราธนานิมนต์ผู้รู้เจ้าว่า ข้าพระ อ, องค์ข อ, อนิ้มนพระ อ, องค์เข้าสู่พระราชนิเวศเพื่อรับพัตนาหารในวันพุ่งแล้วข้าพระ อ, องค์จะได้อุทิศถึงกุศลในทานนั้นกับเขาเหล่านั้นในวันที่พระเจ้าพิพิสารนิ้มน พ, พระพุทธเจ้ามันตรงกับวันนี้ในวันนั้นขังพุทธการนั้นมันตรงกับวันนี้พญาโยมจึงกําหนดหมายเอาวันนี้เป็นวันของการปล่อยให้ญาติทิพย์ที่อยู่เมืองยมโลกมารับผลบุญผลกุศล กับยากอย่างนี้นี่คือที่มาที่ไปและเปิดเพียงแค่วันเดียวคือวันนี้24ชั่วโมงพราทีตขึ้นจนถึงภาทิขึ้นเช้านี้เป็นวันใหม่จนถึงพราทีตขึ้นเช้าอีกวันลุงขึ้นอย่างนี้แล้ววันนี้ก็เป็นวันพระวันพระเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะระลึกถึง การทำบุญกุศลเป็นส่วนมากการที่มนุษย์ที่เป็นผู้ศาสนิกชนนั้นลึกถึงการทําบุญกุศลนั้นนั่นเองมนุษย์ที่ทําการอุทิศกุศลให้กับเราญาติบุญอันเกิดจากการกระทํานั้นย่อมยังประโยชน์แก่เราญาติที่เป็นเปรตผีปีศาจชาวทิพย์ทางหลายทับปวงเพราะฉะนั้น วันเพ็ญเดือน10เป็นเดือน10เนี่ยจึงเป็นวันที่ควรอุทิศบุญให้กับเหล่าญาติชาวจีนก็เชื่ออย่างนั้นก็เราก็มาจากรากฐานพุทธศาสนานเดียวกันก็ไม่น่าจะอ ะ, อะไรความความแปดแตกต่างกันก็ไม่ปแปลก แ, แ, แตกแตกแตกต่างกันเท่าไหร่คื อ, อยึดถือในวันนี้เป็นวันทำาทาบุญอุทิศส่วนกุศล คนจีนเขาทำไง่ะไหว้บรรพบุพ ร, บรุษสาสตรจีน น, นี่คือไหว้บัพรพบุรุษสาสจีนต้องตรงกับวันนี้ทุกปีเพนเดินสีลเหมือนกันก็นี่แหละที่มาที่ไปมันเป็นอย่างนี้นี่คือความสำคัญ คนคนจีนเขาะวางแต่เหมือนโบราจีนเออมาขอลงมาเสี้ยานเนี่ผไม่ได้ใช้ากไช่ไมใชเงใชพาเลี้ยงอย่างนี้ท่าารมันจะกลายฝาให้เรียกหมอผีก็เรียกผ่าหัวเ้ากินื่นท่านอาารยงจริงแล้วก็ามารับแเด็กที่โภกยากนก็ได้จะว่ากินกลิ่นก็ไม่ได้เป็ดที่หากินของโสโคปีศาจที่หากินของโซโคร มีอยู่หมายถึงว่าอมรุตผีปีศาจบางเหล่าที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้รับบุญคือไม่ได้อยู่ในฐานะนะไม่ไ ม, ม่สามารถรับบุญได้จะกินของเส้นไหว้กินนั้นคือทำไมของมันยังอยู่มันไม่หายไปไห น, นกินยังไงเขาเรียกว่าดูดดื่มในโอชาโอชาคือคือความเป็นรสชาติของอาหารเหล่านั้น ดืมเขาเรียกว่าดูดดื่มในอะไรบุญเรอะไรคม่ใช่บุญีกเยอะไรนะเรที่เป็นความบริารของอาหารนะอชอชเรว่าอมังมอมอมใช่มันจะมันจะมีความเป็นโอชาของอาหารแต่ละชนิดอยู่ ไม่ฉันแลวร้อนจานร้อนแต่ชาตมันจือกคนมากินถ้าร้อนร้านจมเข้ามารสชาติมันเจือกมันมันก็เป็นอย่างนั้นหละก็เป็นธรรมชาติหนึ่งหนึ่งแล้วมันแล้วมันมีข้ออย่างเนอะที่ว่าที่เคยว่าเขามามาเคยบิีมาร้องตุ้มแั่นเลยจูว่าคนจีนยั่งไหว้จ้าวแต่ไหว้ไปนันความจริงไม่ใช่แต่จินที่ไปตั้งอย่างกู่แต่จีต่อไงเราถือว่า เดี๋ยวนี้เขาไหว้เขาไหว้ของดีๆไว้เล่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้กินเตอร์คือมาไหว้จิตให้ไม่ขาดไงบอกอันั้นเป็นการเส้นเป็นการให้เส้นเส้นคือให้ให้ไปแบบให้เจ้าที่กินก่อนแล้วเรากินทีหลังกินของเศษของเหลือแต่เขาตัานจิตให้ก่อนไงไม่ได้เอาเหลือทีหลังเหมือนการให้ไปขาดอะผีก็เลยมาโวยว่าไงหน่ะบ่เออเอ๊ะมันให้กูแล้วไปวะเพราะว่า เราเราก็เปรียบเทียบแค่ว่าเราต้อนรับแขกจัดอาหารต้อนรับแขก อ, อ, อาหารที่แขกกินแล้วเหลือก็จะก็ต้องตกเป็นของเราเออแต่นี่ก่อนไปไมาว้เนะี่ยซื้อของดีๆมาอย่างนี้เขาไม่เล่าอย่างนี้เลยนะ อ, อแต่คนซื้อไปไมห้เนะ่ะแน่จะกินอยู่ไงตั้งใจไปก่อนให้ตอนนั้นอะ่ะโ อ, อ้โหมันเลยการให้ไม่ทันหมายถึงว่าไปแย่งกินก่อนแล้วคิดไม่จ็ หมูกินไม่ก่อนเลยไม่ใช่กินแป้งอาจารย์ที่สมาธิมากสิ่งที่ให้นี่ไม่ใช่อะไรหรอกให้ไปเม่อไ่โดยนั้นก็ได้กินเองก่อนนั่นแหละจิตมันไปหวงการกินคือไปแย่งการกินไว้ก่อนแล้วไงไปสร้างสภาพแห่งการกินสําหรับตนเองไว้ก่อนแล้วทางที่ของนั้นน่ะยกให้เจ้าที่ใช่ไหมล่ะยกให้บรรพบรุษแต่ความคิดมันเข้าไปครอบงําเพื่อที่จะเอากินไว้เพื่อตนแล้วถามว่าของนั้น ไปเป็นของชาวทิพย์หรือเจ้าที่หรือเปล่ามันก็ไป <ánh S 2> ไม่ได้สัญญันห้องความคิดมันยังครอบ ค, ครอบอยู่ใช่ความรู้สึกว่าเป็นเรานั้นอ่ะเป็นของเราเราจะกินแต่มันยังมีอยู่เพราะมนุษย์มีความเป็นกรรมสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของในอาหารแม้วางไปแต่ความคิดไม่ขาดความเป็นเจ้าของมันยังมีผีจะมาเอาก็ยังรู้สึกว่าของนี้มีเจ้าของเขาก็เอาไม่ได้เพราะเขาจะกินได้ก็ต่อเมื่อของนั้นถูกทิ้ง ถูกสาระออกก็ให้ก่อนก็คือเป็นพวกที่ไม่อยู่ในฐานะของผู้รับบุญที่จะกินของพนั้นได้กินได้เมื่อที่ถึงไนะมันมันมีมือผีเนี่ยกบอกกินไม่ได้มีคน่ารที่เรานีถึงปัดแล้วปุ๊บเราก็จะตัดใจจากของนั้นเพราะเพราะมันหล่นจากพื้นแล้วเราก็ตัดใจไม่กินแล้วก็เป็นตกของผีไปให้ผีไปแต่ถ้าเราไม่พูดเราเสียดายก็ ถ้าไปเราดึงเก็บกลับคืนมาก็ผีก็น้ำลายไหลทิ้งห้เฉย <c ười> การรับมีอยู่สองลักษณะผลบุญจะสําเร็จเป็นเป็นสองลักษณะหนึ่งมนุษย์อุทิศบุญให้แบบโดยตรงส่งให้โดยตรงสองไม่มีใครส่งให้แต่เขายินดีในบุญในทานที่คนอื่นก็ได้ได้ทําอนุโมทนาด้วยนะที่ญาติทั้งหลายได้ทําอนุโมทนาในคนทั้งหลายที่ได้ทําบุญอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเขาตั้งจิตยินดีในะอนุโมทนาอย่างนั้นบุญก็สํเาเร็จ ต้องเป็นผีที่อยู่ในฐานะของผู้รับบุญแล้วอนุโมทนาจึงจะรับได้แต่เปรตผีปีศาจ ท, ที่ไม่อยู่ในฐานะของผู้รับบุญอนุโมทนาเท่าไหร่ก็ไม่ได้รับเพราะไม่ได้อยู่ในฐานะุอาจารย์ฐานนั้นหมายถึงว่าหนไม่ใช่ญาติสองไม่ใช่าศาสนาของตัวไม่ใช่ฐานะนี่หมายถึงไม่มีพิบากกรรมใดๆปิดกั้น ไม่ให้ได้รับแล้วคือถูกเปิดออกมาเพื่อให้ได้รับสุงญุษณ์เขาเรียกว่าปลรตูชีวีเปต oh. ปลรตูชีวิเปตคือเปตที่อาศัยการให้ในกับผู้อื่นอันเนี้ยอันเนี้ยเปตจําพวกเนี้ยรับได้แต่เปตจําพวกอื่นรับไม่ได้ oh. พราต้องเสวยวิบากกรรมของตนไปก่อนยังยังไม่ม<า>เบาบางพอา่่อยูวย ทีน้ำแท้รมัน้ไหลเช่เด็ยวกเปลยแวก็ททไม่เห็นรอกก็ได้กินอยู่ ไ, ได้กินอยู่แต่ว่า <c oughs> มันมันไม่อิ่มอ่ะมันไม่รู้สึกบรรเทาความหิวกะหายได้เลยเปลตัวนั้นหิวกะหายน้ำมาก <c oughs> เพราะไม่เคยให้ทานในเรื่องน้ำมา <c oughs> แล้วก็ปฏิเสธการให้น้ำคนอื่น <c oughs> ห่วงกั้นน้ำ <c oughs> ไว้สาหรับเฉพาะตัเอง <c oughs> ไม่แบ่งปันน้ำให้ใครๆในกรรมที่เขาเคยทำ ตาแล้วเกิดเป็นเปรดภิกษุทั้งหลายสัญจรไปประมาณร้อยกว่าหรือห้าอยกว่ารูปนี่แหละในป่าไปเจอเปรตตัวนี้หิวกระหายผอมโซเปรดตัวนี้ก็เลยถามความต้องการของเปรตว่าต้องการอะไรทําไมถึงเกิดมาเป็นเปรตและหิวกระหายอย่างนี้แล้วเราต้องการน้ำอะไรเนี่ยเราทำวิบากกรรมบางอย่างให้มาเป็นเสวยวิบากกรรมอย่างนี้เราต้องการน้ําหิวกระหายน้ํามากทีนี้ก็เลยพระก็เบอกว่ท่านตัวสูงใหญ่ขนาด น, นี้ ก้มลงมากินน้ำได้อย่างไรก็เลยนอนไงนอนลงแล้วอาปากไว้พระก็เลยเอาบาทเนี่ยตักน้ำประมาณห้าร้อยกว่าบาทเนี่ยกอกใส่ปากไม่ไม่มีความรู้สึกว่ามีน้ำลงไปถึงท้องเลยเพราะกรรมมันปิดกั้น <c oughs> น้ำตั้งหนึ่งร้อยบาทร้อยกว่าบาทห0 0ร้อยกว่าบาท บาดพระเนี่ยนะตักละก อ, อกใส่ตักละก อ, อกคืนเลี้ยงคิวก อ, อกใส่เลยเปรต น, น, นั้นบอกว่า<ม>ยังยังไม่ได้กินอะไรเลยเพราะงั้นบาป <c oughs> กรรมหนักขนาดนั้นอาจารย์ได้สูว่าเราบอกว่าของนา ข, งดนดงงงข่จนบุ้าให้เปตที่เป็นญาติขานันได้ถ้าเปต น, นั้นอยู่ในฐานะของผู้รับบุญนั้นได้แต่ถ้าเปตไม่อยู่ในฐานะของผู้รับบุญไม่ได้ไรดเราสไปรอเึงไเก็บไว้ก่อน สมมติว่าสมมติว่าญาติพ่อหรือว่าพี่น้องเราเนี่ยนะเราก็ทำบุญทิเนี่ยโดยโตรงอย่างนี้จะได้และแต่วิบากกรรมยังใช่แล้วแต่วิบากกรรมอุทิศไปก็ไม่ได้รับถ้าวิบากกรรมดีก็คือบำบัดกรรมดีระบายชดใช้ระบายแล้วโ อ, อันนั้นได้รับผู้อยู่ในฐานะของผู้รับได้รับได้คือปละตูชีวิตเปรคนไปถึงเทวดาทั้งหกชั้นสามารถรับบุญได้ ากเราเนี่ยหลจากตาไปแล้วเป็นบเทวดาชั้นอะไรเน <ừ. S 2> ี่ทกจะได้ใช่ได้เป็นเทวดาได้ข้าจาจาบกวาทุทาาอย น, นที่รเคเคยเที่ยทุกบรร้ามัส่งสัญญาณไม่ได้คือหากอยู่บนเทวโลกเท้าจตัวโลกาบาลทั้งสี่จะทรงพวกเจ้าหน้าที่ชาวทิพย์ลงมาสำรวจว่า ใดญาติของใครที่อยู่บนเทวโลกเทวดาตนใดที่มีญาติอยู่โลกมนุษย์นี้มาทําบุญเจ้าหน้าที่ชาทิพนี้ก็จะส่งเรื่องนี้ไปให้ถึงแก่ท้าจตรโกบาลท้าจตุรโกบาลก็จะไปประกาศอยู่บนธรรมสภาว่าญาติของเทพพระบุตรเทพพยดาทั้งหลายวันนี้ได้มาทําบุญแล้วอุทิศสุขศนขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนายินดีเขาก็จะสาธุการอยู่บนโน้นผลบุญก็บังเกิดขึ้นกับเขา อาจารย์นขาโยมในยืนเนี่ยที่พูดถึงเป ล, ลี่ยนยากของพระเพิชานเนี่ยเราจาแนกดังไงสมมติว่าที่ว่าพระพุทธเจ้าธรรมดาอารมณ์ภาพของพระองค์นี่ไม่ใช่ธรรมดาะะใช่ไหมฮะใช่ทำไมถึงให้หมลญรับพรรได้เนาะเราจําแนกจากผลกรรมที่ว่าทําแต่าาละอย่างหรือมันเกี่ยวกับต้องสายยากโดยตรงที่ว่าถึงมีสาระก็ต้ก็ก็ทําทํากรรมร่วมกัน เพราะบางบางดวงเนี่ยพระองค์ก็ให้ได้อยู่ใช่ไหมคเพราะอ น, นุภาพของพระพุทธเจ้านะะคืออนุภาพของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณอยู่แล้วถ้ามไม่มีประมาณนั้นคือคไม่มีประมาณในเรื่องของเมตตาธรรมรแต่ในเรื่องของบุญนี้ถูกกห า, านกหนดไว้อยู่ในธรรมปุสานี้ถูกกาหนดไว้เฉพาะญาติสายญาติเท่านั้น เ, เป็นเป็นกฎของธรรมปุสาพระธเจ้าให้ตอดโลกนรกไมีสิ่งนะชะร คนง่ายก็อยู่ีอยู่ชกรรมละที่อที่กาบาปของยากพระเจ้าป็นที่ศาลเนี่ยเปจบของกินก่อนจะถานีผมเลยเลยว่าถ้าถ้าเราสามารถจะมาวัดที่ที่ที่ให้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่ากรรมได้ตามกรรมของแต่ละกลุ่มที่ทำเราเราต้องเข้าใจว่ากรรมนั้นเปตพวกนี้ยทดใช้มาแล้ว ชดใช้มาแล้วจึงมาเป็นเปรตเพื่ อ, อรอรับผลบุญคือชดใช้กรรมมาจนจนจนหมดที่จะต้องกลับไปชดใช้แล้วแต่อยู่ในสถานะผู้รอเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนฐานะเปรตพวกนี้พอได้รับบุญจาพระเจ้าอวิสารปุ๊บไปอยู่จาตุมเลยนะเปรตพวกนี้ยอยู่จาตุมฮะใช่เป็นนรนกมาก่อนใ ช, ช่เป็ไไนนรกมาก่อน ในช่วงในระหว่างที no. no. ่รับบุญจากใครไม่ได้เพราะในช่วงนั้นยังทนให้เสจ็กจำอยู่ใช่ใช่ไหมจนต้องรอให้ญาติให้ก่อนจะรับได้ใช่ต้องเป็นญาติใช่แต่ว่าถ้าทํากรรมหนักก็ยังมีสิทธิรับเราก็มีก็ต้องรอไปอีกจนกรรมหนักอานแล้วก็บุญที่ญาติส่งมาให้ไปไหนก็รออยู่แต่ยังรับไม่ได้ไม่รอกลับไม่รอ บุญไม่ได้ไ ป, ไปไปไปตั้งรอใครนะบุญก็ตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปมไม่ไม่ได้ตั้งรอใครอยู่ที่ไหนอย่างไรไม่ไม่ไมีมมอุทิศไปให้แล้วไม่รับก็หายไปกลับมาเป็นของเจ้าของตามเดิมคือมันมีสองส่วนเนี่ยนะถ้าว่าถ้าให้ไปสมมติเราต้องการให้กลุ่มนี้แต่มีกลุ่มญาติอื่นที่รอยอยู่รอใช่จะถึงเขาได้อัตโนมัติใช่ถึงอัตโนมัติ ญาติที่ของเราใช่กลุ่มญาตินี้ไม่ได้ญาติอื่นที่รออยู่มีอยู่สามารถทำได้ใช่ก็อะไรพราม์ไปถามพระเจ้าไงหากเราอุทิศบุญให้ญาติกลุ่มนี้และญาติกลุ่มนี้ไม่ได้รับบุญนี้จะตกเป็นของใครพระเจ้าบอกว่าก็จะตกเป็นของญาติกลุ่มอื่นอีกแล้วญาติกลุ่มอื่นอีกไม่ได้รับบุญจะตกเป็นของใครก็ตกเป็นของญาติกลุ่มอื่นอีกต่อไป แล้วญาติญติกลุ่มอื่นอี ก, อ ก, อกต่อไปแล้วน่ะไม่ได้รับจะทํายังไงก็ จ, จะเป็นของกลุ่มอื่นๆอีกเนี่ยเพราะมันเกี่ยวข้องกันมามรู้กี่พบกี่ชาติแล้วนต<ช>้องมีกลุ่มในกลุ่<ช>มแล้วแล้วถ้าบุคคลที่ไม่มีญาติรอรับบุญล้วบุญจะตกเป็นทองไข่ไม่มีญาติเลยนะพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลไม่มีญาติเลยไม่มีไม่มีญาติทิพในโลกทิพย์แล้วไม่มีพุทธเจ้าบอกไม่มี นี่คือสัพพันญุตยานบอกอย่างนั้นใช่หมายถึงว่าเรามีญาติทิพย์คอยติดตามรอรับผลบุญเราอยู่ตลอดแล้วแล้วผมว่าใจที่ถูกไหมมันเคยไหมเมื่อเราเกียมจะทำบุญเนาะเพื่ออุทิศให้คนหนึ่งสมมิเป็นญากเราเนาะในก่อแต่กำลังจะให้อยู่เนี่ยเพื่อที่ตายโกรกมันจะมีความรู้สึกเลยเชอให้ด้วยไม่ให้ตลอดเพราะมันมารอรับเราไห ขอจะถึงเมืองพราอยู่แล้วนะเราเราตั้งมให้ถึงนี้นอกซึ่งซึ่งจะเป็นญาติเราจหลังจะประเคนป้าเนี่ยเพื่อนแม่เข้ไปเลยป้าที่ตายอะไรเนี้ยก็เลยเออมึงเอาไปขอด้วกันเพราะคิดว่าให้สอคนก็ได้ได้เลยแต่นี่ก็นานก่อนนะไม่แล้วก็เรียงเอาญาติมาขวดเองแล้วถามๆด้นวยกันดูที่ความประสงค์ของผู้ให้ไม่มีมาตรฐานอันนี้อยู่ที่ความประสงค์ของผู้ให้เองผมคือผมไม่ได้ถึงเรื่องอ กระแสที่มันเข้ามาในขนาดนั้นเพราะเราเตียมันเนี่ยเราจะทำให้พวกเราเนี่ยโ อ, อ้แต่เขาจะมันแเข้ามาเลยเพื่อนที่กลายไป็นนายเพื่อไม่เคยได้ถึงม า, าลาเลยเป็นป <c oughs> ีิเพื่อนก็จับว่าเป็น ญ, ญาติใช่มันโผล่ขึ้นมาอยู่ในฐานะญาติมันแคาจะมารอก่อนก็ให้ไปบริวารก็อยู่ในฐานะญาติคนช้ก็อยู่ในฐานะญาติที่ทั้กใช่อาจารย์ใช่อยู่ในฐานะญาติอาจอย่างี้ เพราะว่าเขาตั้งใจทําตอนที่ตั้งใจทํานี่ยบุญก็ถึงกับพ่อเลยวน่สิครับแต่ม <พอ S 2> มเ<ว>มื่อตอนี้ยังไม่ได้บุญที่เด็่เขาปักอย่างไม่ถึงขึ้นเลยเพราะว่ามันไม่คือไม่เอืนได้สิ่งของถึงมือผู้รับแล้วและผู้ให้นั้นสละกรรมสิทธของตัวเองโดยการปล่อยของจากมือกระแสบุญถึงจะเกิดและจะเป็นผลสําเร็จในขณะที่จิตอุทิศนั้น อสมมุติปัจจัยเราจ่อมาเนี่ยจะให้พ่อจะให้พ่อจะให้พ่อใช่ไหมออยกของจะถวายเนี่ยจะให้พ่อยกไปยกไปจนไปถึงแต่มือเรายจับอยู่นี่บุญยังไม่เกิดนะออแค่แค่เจตนาให้มีบุญที่เกิดจากเจตนาเนี่ยกำลังเ ร, เริ่มเริ่มรวมตัวกันเป็นกระแสของบุญแต่ยังไม่เกิดเป็นผลบุญเพราะการสละหรือการให้ทานยังไม่ยังไม่ได้สละออกไปจังหวะที่เรากําลังจะปล่อยจิตแวบไปถึงเพื่อนว่า เพื่อนต้องการบุญนี้พอจิตแวบออกไปปุ๊บมันจะขาดจัดสัญญาณที่เชื่อมโยงไปหาพ่อเข้าใจไห ม, มจะขาดเลยทีนี้แล้วเราสละออกในเวลานั้นพร้อมกับจิตแวบไปถึงเพื่อนบุญก็ไปถึงเพื่อนก่อนใช่ว ล, ลากไก็ต้องกล่าวไหมจริงจริงมันจิตกระแสจิตไปแล้วคํากล่าวนี้เป็นคําคําสามทับ เพื่อความมั่นคงในการเจตนาอุทิศปรย์แล้วก็นาทีทองตอนที่เจะอุทิศนาทีทองนะเร็วเร็วในถามพี่ไงอย่างนี้ก็มีผลอยู่ไหมคะเพื่อการเป็นธรรมจิตมเพราะบางทีเราจะคล่องกว่าบางคนเพราะกับสิ่งประกาศเนี้ยคนไม่ไม่ค่อยได้ทําลยกจะช้าสมองช้าอย่างเราเนี่ยเราเราพร้อมแล้วถ้เราคล่องเราทํามันเป็นประจำเ ในนี้มีคนในช่วงที่บีมันต้องปไม่ได้กําหนดว่าเป็นช่วงระยะเวลาขนาดนานขนาดไหนดูขึ้นขึ้นอยู่กับกระแสของใจเราหน่วงเหนี่ยวในบุญนั้นได้นานแค่ไหนหากกระแสใจหน่วงเหนี่ยวบุญนั้นไว้ได้นานมันก็ยังจะเกิดสืบเกิดดับสืบเนื่องในจิตเราได้นานอยู่แล้วก็ยังสามารถคิดอุทิศบุญได้ตลอดเวลาจริงไหมเราจะท่องภาพกัน ก็โอเคอเคพราะกระแสแห่งจิตที่คิดในการท่องทรงจำคำสอนของพุทธเจ้าจะเกิดเป็นกระแสของบุญขึ้นภายในจิตบุญสามารถแปลสภาพเป็นสิ่งต่างๆได้ตามความชอบใจของญาติายินแต่ญาติทั้งหลายพวกที่อยู่ในภพภูมิต่างๆนี้นะ เขาชอบบุญที่เกิดจากการให้ทานมากกว่าบุญทุกชนิดบุญที่เกิดจากการให้ทานเนี่ยเขารับได้ดีกว่าใช่ของเครื่องใช้เครื่องบริโภคเครื่องความดับรองชีพเนี่ยปัจจัยใช้สอยนี่แหละถ้าเบิกบุญนี่ให้น้อยกว่าอธิษฐานเอาบุญมาอุทิศนี่นะก็เราก็มาคิดดูว่าพระเจ้าพูดถึงอนุสติ ในจารคานุสติระลึกถึงทานอันตนได้บริจาคแล้วหากการที่เราระลึกถึงทานที่เราได้เคยบริจาคแล้วโดยการที่จิตเราระลึกถึงนั้นมีความรู้สึกเหมือนกับตนได้กระทำในเวลานั้นจริงๆจะได้บุญเท่ากันแต่เรารู้สึกว่าเราได้ทำไว้นานแล้วความรู้สึกมันอ่อนจากอ่อนกว่าการที่เราได้ไปสละหรือได้ให้ทานด้วยตนเองคือความรู้สึกมันอ่อนบุญก็จะน้อยกว่า แต่ถ้าความรู้สึกเท่ากันกับการที่เราได้ให้ด้วยมือของตนอันนั้นบุญจะได้เท่ากันมันอยู่ที่กําลังของจิตว่าเราทรงอารมณ์ของจิตในการให้นั้นเทียบเท่ากับการที่เคยได้ทําในครั้งก่อนนั้นไหมเพราะฉะนั้นการคิดถึงบุญที่กระทาไปแล้วใหม่ในภายหลังแล้วอุทิศไปให้เขาอยู่ที่ว่าจิตสามารถทรงอารมณ์ของกุศลทานนั้นมากหรือน้อย แล้วอุทิศก็จะได้มากน้อยตามนั้นยกยกตัวอย่างเช่นกคาท่านเตแเขาิตใจเขแล้วก็งือแล้วก็อธิษฐาน่ายสมจากการังเท็ของพระอาจารย์นพอยกบุญให้สมเรายกให้กเนาะพการอนได้แต่บุญก็คือบุญบุญจะไม่สามารถไปเป็นความเข้าใจเหมือนกับมานั่งฟังการนั่งฟังนี้เกิดทั้งกุศล บุญที่เกิดจากการฟังและเกิดเป็นสติเกิดเป็นปัญญาเกิดเป็นทิฐิที่ตรงและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยแต่บุญนั้นที่เราอุทิศไปให้คือแค่ว่าแบ่งบุญ<ม>แบ่งบุญนี้ไปให้เขา<ม>เขาก็จะเกิดความรู้สึกที่โน้มเอียงเพื่อการฟังธรรมเท่านั้นเองแต่จะเกิดสติปัญญาแบบเราไม่ได้<ม> ได้ยกได้เขาก็รับแต่ว่าสติีปัญญาได้เท่าไหร่ถึงจเวลายุบุญเกิดถามมาว่าการฟังธรรมเป็นบุญหรือไม่ครับหากเป็นบุญสามารถอุทิศได้หรือไม่ครับการเป็นบุญก็แต่การฟังธรรมนี่เป็นบุญจต่ว่าเป็นบุญบุญที่เกิดจากการฟังธรรมส่งผลไปไหนจะตุมเป็นขั้นต่ํานะ เช่นกบตัวหนึ่งไปฟังเทศพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่รู้ว่าคําเทศพระเจ้าเทศว่าอะไรแต่รู้ว่านี่คือเสียงแห่งธรรมผลบุญแห่งที่เกิดจากการฟังธรรมส่งผลให้ไปเกิดจาตุมแล้วอุทิศได้ไหมอุทิศได้บุญที่เกิดจากการฟังธรรมที่ทําให้กบนี้ไปเกิดอยู่จาตุมนั้นเป็นเทศพระบุตรกบใช่ไหมน่ะมีที่ผสมบัติเหมือนเทพตนอื่นมีอาหารทิพเปเครื่องทิพเปเครื่องใช้เป็นทิพอะไรเหมือนเทพพระบุตตนอื่น คือมันรวบรวมการดำรงชีพในความเป็นเทวดานั้นไว้ในกระแสของบุญนี้แต่เกิดเกิดจากการฟังธรรมนี้ไว้หมดเลยไม่ได้ให้ทานกบก็ก็ไม่เคยให้ทานกบก็ไม่ได้รักษาศีลการฟังธรรมมันรวบรวมทั้งบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลหรือสมาธิไว้ในนั้นแล้วเข้าใจไหม <c oughs> เรียบร้อยแล้วจึงเอาหน่วยผลไปสู่จาตุมซึ่งได้ที่ผสมบัติมีอาหารทิพย์เครื่องทิพย์ยิมานทิพย์ยศทิพย์ วรรณาธิปสุขทิพย์เหมือนกับเทพบุตรตนอื่นที่เคยได้ให้ทานมาแต่ความแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่าเขาไม่สามารถเป็นเจ้าของผลทานนั้นได้ยืดยาวนานเข้าใจไหมมันต่างจากคนผู้หมายถึงว่าถ้าเขาหมดเ ข, า, ขาหมดบุญจากเทวดาปั๊บเนี่ยไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกอเขาก็สแสวงหาหาลำบากเพราะเขาไม่เคยให้ทาน แต่บุคคลที่เป็นเคยให้ทานไป ด, ด้วยรักษาศีลด้วยฟังธรรมด้วยไปเกิดอยู่จาตุมพอหมดจากจาตุมถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็แสวงหาอาหารได้ง่ายทามาหากินได้ง่าย<ม>เพราะเขาเป็นเจ้าของทานนั้นสืบต่อไปหลายภพหลายชาติ<ม>แต่กกหักมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เหมือนกันนะนะแต่จะแสวงหาอาหารลำบาก<ม>เพราะไม่ได้ให้ทานไว้คือเอากุศลแค่การฟังธรรมพระอาจารย์ท่านทรงโกกขึ้นไป กบไปเป็นเทวราในในเรื่องที่ผ่านมานั้นที่เป็นเทวดาแล้วก็ได้ปฏิบัติหนึ่ว่าได้ทําต่อจึจะมีมูลต่ อ, ต อ, ต อ, ตอใช่ปบนั้นจึงได้รู้ว่าแค่การฟังธรรมที่ไม่รู้เรื่องยังได้อนุภาพขนาดนี้<ม>เราไม่พึงประมาทเลย<ม>นะเราควรจะไปฟังธรรมก็เลยเลื่อนวิ ม, มาลงมาฟังเทศผู้ได้เจ้าต่อในความเป็นเทวราเกิดแสงสว่างจ้าขึ้นมาผู้ยากก็ถามว่าแสงนี้มาจากไหนจริงๆพมก็ทราบนะว่ามาจากกบโกบตายอ และยึดเอาเสียงธรมของพรงษ์นั้นเป็นจุติเป็นเทพประบุกเทพบุตรก็ปรากฏตัวขึ้นมาก็บอกว่าข้าพงษ์เองพระเจ้าข้าพระเจ้าก็ถามว่าท่านเป็นท่านเป็นใครก่อนนี้ข้าพงษ์เป็นกบปลาธนาจะกินมากินแมงที่มาตอมตามแสงประทีปที่ถูกจุดบนที่ฟังเทศฟังธรรมกํากลังจะกินแมงตัวหนึง่งหูได้ยินเสียงแห่งธรรมนี้กระทบจึงไข้ปวนอยู่ว่า เสียงนี้ไม่ใช่เสียงทั่วไปเป็นเสียงแห่งธรรมการสแสวงหาอาหารเราก็สแสวงหามานานแล้วแต่เสียงแห่งธรรมนี้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังอย่างนี้เราจักสํารวมท้องเป็นผู้ใข่ในการฟังธรรมแม้จะไม่รู้เรื่องก็เขาเรียกว่าเงี่ยบโสดฟังแล้วมีเด็กคนหนึ่งต้อนโคผ่านไปในที่ที่นั้นเอาไม้ปักลงไปที่หลังกบตายคือเล่ า, เ ล, า, เ, ลาเล่าประวัติของตัวเองนะว่า อนิสงค์ของการฟังเสียงธรรมนั้นจึงไปเกิดเป็นเทพบุตรเข้าพระองค์เห็นคุณค่าของการฟังธรรมว่าการฟังธรรมมีคุณค่าอย่างนี้เนมอมีอนุภาพมากอย่างนี้เนาะจึงได้ลงมาสู่ที่แห่งนี้อีกหลังจากตายแล้วนะ่ะจึงลงมาอีกเ ป, เป็นเทวดานะนะั่นเพื่อที่จะมาฟังธรรมของพระเถรองพระเจ้าข้านะเนี yeah. ้ยบุญเกิดพวกเราฟังอยู่ในเวลาเนี้ mm. จะตุ้มเป็นที่ตั้ง mm. ได้แล้วทุกคน แต่จะได้ไปใช้ผลบุญนั้นหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าตายตอนนี้ได้ไปใช้แน่เพราะกระแสจิตยังสืบเนื่องกันกับการฟังอยู่กับกระแสธรรมเนี่ยตายต่อหน้าตัวนี้ได้เห็นวิมานนั้นทันทีอาจารย์สมบูรณได้ฟังตอนนี้<ะ>คนที่อยู่ที่บ้านมีก็ฟังเทปมีเทปก็เหมืกัน เ, เหมือนกัน ทีนี้ก็เลยมีคนพูดก็บอกว่ า, วาขนาดกปกมันฟังไม่รู้เรื่องมันยังได้บุญขนาดนั้นแสดง ว, ว่าการที่พระทั้งหลายไปสวดมนต์ตามบ้านตามเดือนให้คนฟังแบบไม่รู้เรื่องก็งยังได้บุญอยู่สิเขาว่าอย่างนั้นไม่น่าจะผิดที่สว่นสวนงานต่างๆที่คนฟังไม่รู้เรื่องอนะจะเป็นงานขึ้นบ้านไหมงานศพงานอะไรก็ตามที่เอาบทสวดแต่ละบทไปสวดอย่างน้อยก็ยังได้บุญอยู่กับคนใช่ไหมเขาว่า ทีนี้อาตมาก็เลยบอกว่าเราเป็นคนเราไม่ใช่กบกบมันอยู่ในฐานะของการฟังที่ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วใช่ไห ม, มแต่เราเป็นมนุษย์<ม>เราฟังกันรู้เรื่องเราก็ควรจะต้องฟังในสิ่งที่อันเป็นที่รู้เรื่องกันมไม่ใช่ไปฟังอันสิ่งที่มีรู้เรื่องนั่นก็เท่ากับว่าเราพยายามทำตัวเองให้กลับไปสู่ความเป็นเดรัจฉาน<ม>คือไปฟังอันที่มันไม่รู้เรื่องนะไม่รู้จักภาษากันแลวกันเราเป็นมนุษย์ ฟังเทศอย่างเงี้ยอตาตมาเทศออกไปอย่างเงี้ยรู้เรื่องในสิ่งที่อตาตมาเทศใช่ไหมแต่ถ้าอตาตมามานั่งสวดอย่างเงี้ยเรารู้เรื่องหม <ừ> ยานีทาปูตานสมาคตานภุ ม, มานวายานีวอันตรเสเบีูตาสุม า, าวันตุอทโปิสกจะสุนันตุหิตังตสมหิปูตานีสัเนตุสัเบมเมตังกรรธรรมุสิยาปจายดิวายะิวะโตจรติเยบลิรู้เรื่องไหมได้ย <ừ> ินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงกำลังเป็นกบกันเนี่พวกนี้เห็นไหมเรากาลังพยายามทาตัวให้เป็นกบ แล้วทีนี้เราย้อนกลับตัวเองไปเป็นกบแล้วจะเอาอาศัยฐานะของความเป็นกบฟังเสียงนี้ไปสู่สวรรค์อย่างเงี้ยกับการที่เราฟังแล้วรู้เรื่องเราสามารถไปสู่ที่ดีดีดกว่านี้มีสติมีปัญญาพัฒนาตนเองไปถึงความคนทุกข์ได้ดีกว่ากบจะไม่เอาเหร <c oughs> มเ อ, หอ <c oughs> มองคนก็จะยึดถือแต่ประเภทนี้ว่าฟังไม่รู้เรื่องอย่างน้อยมันก็ได้ได้เกิดจาตุมอยู่บะาง่างเงี้ยอันจาตุมนั้นหมายถึงว่าฟังแล้วตายตอนนั้นได้ เพราะใจมันยังผูกกับเสียงยยยร ธ, ธรรมอยู่สูข้าคงใกล้ตายแ้วเราลุเททำมาให้อืมอย่างนี้นะอาารก็ได้จะอย่างน้อยจะตุมแต่ว่าคนนั้นหากคนนั้นรู้เรื่องนะฟังรู้เรื่องนะฟังว่านี่คือเสียงแห่งธรรมเขาสามารถยึดเอาเสียงธรรมนี้เป็นอารมณ์ทางจิตเพื่อจะนําไปสู่การตุติแห่งพบ อ, อันเนี้ยคือเขาเจตานาเลยแหละว่ายึดเอาเสียงแห่งธรรมนี้นําจิตไปสู่การตุติในพบใหม่ ได้จ่าตุมแน่นอนาหากยิ่งฟังยิ่งเข้าใจยิ่งรู้เรื่องยิ่งชัดเจนเลยจาตุ้มกันไปอีกเป็นดาวดึงแล้วยิ่งฟังอีกยิ่งชัดเจนมากอีกและสามารถพิจารณาติดตามได้ภายในตนเองและเริ่มเข้าใจอะไรในเรื่องของศาสนาธรรมเรื่องจากดาวดึงไปเป็นยามามแล้วยิ่งฟังอีกยิ่งกระจ่างนิดไปเลื่อนไปเป็นดุสิตช่างน้ช่วงระยะเวลาก่อนตายเขอาจจะห้าหกวันอะไี้นนะาาอาจารย์ตอนนั้นมันมันไม่มี จิตเขารู <Yeah S 1> the, the ้มภเขาก่าจจะส่งเสริมเขาแล้วเราก็เปิดให้เขาฟังอยู่เรื่อยๆเป็นเพศเป็นภาษาไทยที่เขารู้จักใช่ต้องเป็นเพศเทศภาษาไทยเนี่ยที่เขารู้เรื่องเป็นบทใช่บทที่จะให้เขาฟังระดีที่สุดเนี่ยคุณเป็นบทอะไรก็ตามลําดับนี่แหละอนุบุพิกถา าคาถาคือการกล่าวว่าด้วยเรื่องของทานว่าทานการให้ทานมีผลอย่างไรการรักษาศีลมีผลอย่างไรการทําสมาธิมีผลอย่างไรการเจริญปัญญามีผลอย่างไรการทําจิตให้เข้าถือมีมุดเป็นอย่างไรโทษของกรรมการติดอยู่ในการมาสุขเป็นโทษอย่างไรให้เขาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เพราะหากเขาอยู่ในวิสัยของความที่จะต้องเป็นไปในวัตะเขาจะต้องรู้เรื่องของพวกนี้ให้มากแต่วิสัยของผู้หลุดพ้นไม่ต้องไปเทศอะไรให้ฟัง ถ้ิดทาจะเทศก็เทศในการกําหนดในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนของร่างกายอย่างเช่นอนาถาวิิกศเศรษฐีนะ่ะอนาถาบิดกศเศรษฐีไม่เคยฟังเทศในชั้นของปรมาถ ธ, ธรรมมาเลยตลอดชีวิตตอนมีชีวิตอยู่ไปได้ฟังก่อนใกล้าตายภาษาหลวงพ่อเทศให้ฟังแล้วบรรลุปเป็นสกัดทาคานีหรืออนาคานีไม่แน่ใจอนาคานีแล้วก็ เป็นอุทาหรณ์มาว่าถ้าทำอันประเสริฐอันลึกซึ้งอันน่าอัศาจรรย์ถึงเพียงเพียงนี้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหน้านี้เลยแต่ก่อนนี้ฟังแต่เรื่องการให้ทานยินดีแต่การให้ทานธรรมะอันเป็นปริยายชั้นโลกุตรละเป็นชั้นของการทําลายอสสวะไม่เคยได้ยินขนาดนี้อย่างเงี้ยภาษาลีบุตรเทพให้ฟังก่อนใกล้ตายจึงได้ยินได้ฟังและบรรลุเป็นอนาคามีมสําเร็จเป็นอนา อ, อนาณนาคารีผลขึ้นไปอยู่โน่น สุทาวาทพร้มตอนนี้ก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ยาวนานมากแต่สมสอ้าสิบปีสองพันห้าร้อยห้าสปีแล้งไม่นานเท่าไหร่ใช่ภาษาลิบุตก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับผู้ได้เจ้าฟังผู้นี้ก็บอกว่าก็ อ, อาณาถานบิกาเสถียรไม่เคยมาฟังเทศไม่เคยมาขอฟังจากเราเลยเราก็ตั้งใจจะเทศให้ฟังอยู่เพราะเอออาาถาบิกาเศรษฐีไม่เคยเลยที่จะมาขอฟังเทศกับเรา มีแต่จะให้ทานจะให้ทานถามอะไรมีแต่จะให้ทานให้ทานปาร์ลกแต่การให้ทานให้ทานหลานทําตุกตาแตกตุกตาดินแตกก็มาทําบุญอุทิศให้ตุกตาที่แตกนั้นอ่ะอพาหลานมาทําบุญคือหาอุบายชักจูงลูกหลานทําบุญอย่างเดียวไม่เคยที่จะสนใจฟังเทศฟังธรรมอันเป็นชั้นโลภุตาลาปรมัตถธรรมอย่างนี้เลย อ, อย่างเนี้ยเหมือนบางคนของพวกเราเนี่อยากจะทําแต่ ใช่ตอนนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้ากล่าวกับอนาถาบิทิกาเศรษฐีว่าทำไมทำไม อ, อนาถาบิทิกาเศรษฐีไม่ใต่ถามธรรมอันเป็นชั้นเบื้องสูงกับพุทธองค์บ้างอนาถาบิทิกาเศรษฐีก็บอกว่าข้าพระองค์กลัวพระองค์ลําบากในการแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์พระเจ้าข้าคือเกรงใจพระพุทธเจ้าไม่กล้าจะถามธรรมอะไรมากเนี้ยเกรงใจพระ อ, องค์พระเจ้าก็เลยบอกว่า อนาถาวิธีกาเศรษฐีเธอน่ยรักษาสถาคตในฐานะไม่ควรรักษาเลย <c oughs> คือเก่งใจในฐานะที่ไม่ควรเก่งใจ <c oughs> ควรจะถามบ้างเนี่ยอย่ามาเก่งใจกัน <c oughs> ก็น <c oughs> ก็ยังเก่งใจอยู่นั่นแหละก็ไม่กล้าถามอยู่ดีนั่นแหละทา่านท่านนี้พุทเจ้าเปิดโอกาสให้ถามทำไหม <c oughs> ไม่ใช่ในเวนคือจิตที่เขานวงเหนียวเอาแต่ทานอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นที่ตั้งเกินไปเขาจึงไม่โน้มไปในกุศลธรรมเบื้องสูง ในมรรคผลเบื้องสูงแต่ทีนี้ป่อนใกล้าตายทีเนี่ความจริงก็เข้ามาถึงตัวเองแล้วมรณะนนมรณ ะ, ะคือความตายกําลังจะคืบ ค, คานมาแล้วความจริงของร่างกายคือความแตกสลายความไม่เที่ยงมันก็ปรากฏขึ้นมาชัดแล้วภาษาลิบุตรก็ไม่รู้จะเอาบททำอะไรไปกล่าวก็อนาถาบิกเศรษฐีทานก็บริบูรณ์แล้วศีลก็บริบูรณ์แล้วมสมาธิกับปัญญาเท่านั้นที่ยังไม่บริบูรณ์ท่านก็เลยให้อนาถาบิกเศรษฐีสงบใจแล้วก็ฟังธรรมกถาอันเกี่ยวกับ โดยเรื่องของตายรักคือความไม่เที่ยงของร่างกายพอฟังเสร็จปุ๊บความเพียงพอของจิตใช่ไหมล่ะฟังแล้วความไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงจริงมันกําลังจะแตกแล้วนี่มันก็ถึงข่าวสลายไปแล้วนี่มันใกล้จะตายแล้วนี่ใช่ไหมล่ะก็เข้าใจทันทีเลยในเวลานั้นประจวบกับความจริงเกิดขึ้นกับตนและการฟังนั้นมันปร ะ, ประสานกัน mm hmm. ก็เป็นอนาคตมีผลในอนาคานี อย่างนี้เหมือ้าพก็อนาถนี้ขาดเสยต้องีอเดยว่าจะทำทางไนเเรง้จาใช่ใช่คือว่าคิดว่าอันนี้ต้องเเห็นเห็นคนนั้นบรรลุคนนี้บรรลุก็ดีใจกับเขาสาธุบรรลุ้วยนะสาธุบรรลุได้นะสารุบรรลุไดยนะอย่างเงี้ยแต่ตนเองไม่เข้าไปหาพุทธเจ้าสักทีไม่ได้ฟังทำชั้นสูงแบบต่อหน้าที่จะให้พุทธองค์เทศให้ตรงๆอย่างเงี้ยไม่มีเกรงใจ แบบมึที่ท่านทำก็มีผลแน่นอนใช่มีผลก็สุดท้ายก็ได้ธนาคารมีผลก็ไม่ขี้เลยอะธนาคารมีนะก็สุดยอดนะจะได<ม>้อรหัสผลในเบื้องหน้าแน่นอนแต่ก็ยืดยาวนานแต่ยืดยาวนานก็ไม่ได้ยืดยาวนานเพื่อความทุกข์ยืดยาวนานอยู่ในนู่นนะสุท้าวันทนานนั <S <S ่งท่สาขา นางวิสาขาก็ได้เป็นสกทาคามีหรืออย่างไรเขาได้เป็นโสดาบันอันนี้เป็นความปรารถนาของนางเองเป็นความปรารถนาที่ว่านางจะได้เปบังเกิดเป็นภรรยาของเทา้าไน ม, ม า, นารณรตีปะระนิมิตตะสวัสดีนะเป็นมเหสีของเท้านั่นแล้กวก็จะอยู่ที่นั่นอีกอยืดยาวนาน<ะ>เป็นอะไรมเหสีของนางของเทา้า นิมานลดีนี่แหละชันนิมานลดีอ่าชันนิมานลีันไหนไนมานั้ปิมิตสวัสดีปิมตอาแต่มาลกับใจไปแล้วนี่เนาะตามประวัติตามประวัติว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่แน่ใจว่าประวัติเก่าถูกต้องแค่ไหนแต่ตามประวัติเก่าว่ากับใจแล้วมาต้องเี้ย สามารถ <Yay. S 1> อุทิศบุญได้หรือไม่ได้ได้ยินอาจารย์ทานนี้ฟอกฟอกจินได้ทานทานนี้ฟอกิตได้ก็เป็นระดับของทานแบบไหนเขาอะมีผู้ที่ทําทานเพื่อฟอกจินได้มีกลุ่มเดียวกับอนาคารีนี่ผมได้ยินมาละการให้ทาอกิต มันมีแต่อริยมรรทเท่านั้นที่จะฟอบกิจได้ใช่มอริยมรรทเท่านั้นเราทาทางเพื่อเป็นฐานเพืเป็นปัจจัยเป็นสมเด็รองรับโดยสารแล้วแต่เราวันที่บอว่าถ้าถึงพระนิกายทำทานเพื่อครอบกิจได้ครอบกิจถึงพริกามีผ่านาคนีกลุ่มเดียวที่ทำได้เท่านั้นแล้วการที่จะจะอบบุณให้บริสุทคือทำบุญตท่าที่อที่แท้ก็จะพอบุญให้บรสุไปได้ตามขั้นอย่างนั้น ใครมากําหนดได้ยินมากมาได้ยินมามาอย่างนั้นก็พระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านบรรลุถึงสีนสวรรคเกีในปัจจุบันนี้บางจําพวกก็ไม่ได้ให้ทานเลยก็มีที่ปรากฏชัดๆที่สุดก็พระละหันไหนที่ว่าไม่ได้เคยให้ทานมาแต่อดีตการเลยที่เป็นขอทานนั้นก็ท่าก็ยังตัวที่จะฟักซักฟอกเกิดได้คือปัญญาครับผมบอกได้เลยอืม ทำงานแล้วพอ่อจิตมันไม่ง่ายใช่ไหมแล้วบางคนก็มาบอกว่าการที่จะเข้าถึงมะขผลได้ต้องทำมหาทานถึงจะสามารถเข้าถึงมะขผลได้ไไดแล้วเขาว่ามาหาทานคืออะไรมหาทานคือทานใหญ่และทานใหญ่กําหนดหมายยางไรยิ่งเป็นทานใหญ่ๆๆคืออะไรอตาตมาก็ยังไม่เข้าใจว่าคนมาตั้งพ่อกำหนดมันมันมากยุคนี้นต้องต้อทานเจ็ดวันเจ็ดคืนนี้หนระือเปล่า ถ้ามีคนทาทาน7วัน7จ็ดคืนเป็นมหาทานแล้วถ้าหากมีคนทาทาน15วันสิบห้าคืนจะไม่มาหาทานกว่าอ น, นั้นเลยก็ตั้งเจวัน7จ็ดคืนขึ้นไปคือจะเรียกมหาทานขึ้นไปใช่ไหมอนาิกามาทั้งชีวิตยิ่งกันเลยไม่ได้เย จิตจิตไม่ต้องไปฟอกมันจิตเราจะต้องทิ้งมันเราจะไหมหมายว่าคือทำทานแล้วก็สละเอาตัวตนีสละมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนจนชื่นว่าคือไม่มีประตูได้ไหมมันไม่มีตัวตัวหน้าเลยวัตถุภายนอกอ่าได้เพียงแค่ทำลายความตนีในการห่วงเห็น อุบายของพุทเจ้าที่พงศ์สอนให้ทําเพื่อกําจัดความหวงแหนในวัตถุที่ตัวเองครอบครองยึดถือไว้เป็นของจำเพาะตนให้ไปเป็นของคนอื่นบ้างจิตใจเราจะได้ดีขึ้นเพราะการหวงแหนไว้พุทเจ้าบอกว่าทรัพย์ของบุคคลผู้ตนีก็คือทรัพย์ของผู้ยากไร้นั่นเองคือมีเหมือนไม่มีเพราะไม่ยอมไม่ยอมเผืแผ่ไปถึงคนอื่นก็คือเป็นผู้ยากจนอยู่นั่นเองใช่ไหมล่ะ แต่ทรัพย์ของบุคคลผู้ยากจนหากมีเท่าไหร่ก็เผื่อแพ้ไปถึงคนนั้นผู้บอกเป็นทรัพย์ของบุคคลผู้อเออผู้มั่งมีไมนี่า <c oughs> นอะไรีว่าคนเดียวและแบ่งไปบางคำอ่ะไม่ใช่หมไม่มีอะไรบ้างหลังหูจะอุทิศนท้ายไว้ยชี่ดในสรค์นัหรอจะเป็นชีตังเมย์ชีตังเมย์ชีตังเมย์ใช่ไหมเขาชนะกันขนาดนั <c oughs> ้นนะวิธีการที่เอาชนะความตนี พวกเราอย่างชันน่ความตณีกันยังไม่เท่าหล่รร้รอยังหวงกันอยู่ยถ้าจะถ้ า, ถ, าถ้าจะพูดถึงความห่วงคือยังห่วงกายอยู่ก็ยังเป็นมัฉริยะห่วงกายความตณีมันมีตณีอะไรตณีในลาบใช่ไหมละ่ะ<ม>ตณีในอาวาสใช่ไหมละ่ะ<ม>ตณีในบุคคลใช่ไหมละ่ะแล้วตณีในทรัพตณีในอะไรอีกในญาติาอีกความตณีมันหลายอย่าง <laughs> เรายังละอันนี้ได้ไม่คอบเลยทานแก้ไ่คบาแก้ได้แค่นั้นแหละสมบัติรที่จริงทั้นแบ่งไว้เอียดแล้วนี่นทานกจัดอะไรสีก็จัดอะไรบัญญาอย่างไรบอกว่าเราทานพูดภษาใ้บัญญาถ้ากูถามัญญาจบบางคนก็บอกว่าเอาแล้วถ้าให้ทานไปหมดแล้วจะกินอะไรไม่กินอะไรแล้วมันจะเป็นยังไง ตายแล้วที่ตายแล้วผลบุญที่เกิดจากการให้นำไปที่ไหนสุขติหรือทุคติสุขติพอนำไปสู่สุขติถ้าเกิดใหม่อีกคือสุขติแล้วได้ทรัพ์เพิ่มพูนจากการที่เราได้ให้ทานนั้นมากกว่าความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้คือจะจะต้องได้ได้รั์มาได้โดยง่ายจะทำอะไรก็ได้รัพย์มาได้โดยง่ายควรควรไหมกับการที่เราได้ให้ทานอย่างนั้นก็ค ว, ควรสมควรพระิจารายอย่างนี้นะ คือตายนะมันตายคนทุกคนมันตายอยู่แล้วแต่การได้ให้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ได้ให้ได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นคนที่ได้ให้ได้ง่ายๆเนะี่ยคือคนที่ถือว่ากําจัดความตนีได้เขาเรียกเป็นมือเขาเรียกมือที่ปล่อยออกไม่ใช่มือที่กำไว้อะนะพุทธเจ้าเป็นมือที่ปล่อยออกอย่างพุทธเจ้าก็พูดอยู่เสมอว่านางวิสาขาเลื่อนนาทาวิตริกาเศรษฐีเป็นมือที่ปล่อยอยู่เสมอไม่ใช่มือที่กําไวอ้อย่างเงี้ยของเราของเราของเรา เป็นบุคคลที่มีมืออันปล่อยออกแล้วสละออกแล้วใช่ผู้มีก้อนข้าวคนจนเลยเปนยากไปใยาเินไในธรรมะไม่มีการมีภาษาที่ไเท่จนอาจารย์เคยหมดตัวไปรอที่ไรธรรดาจบ้านรือ ทำรูจนหม ด, มหดนะครับิุไาเลยเดร้อนวัดวัดที่เราไปดูที่อินเดียมีล่นน้อยเลยนะที่เอาทองว่างส์ปกิมีนคู่กอ้าสรับคนาดถ้าตามาจะทำให้คนเห็นก็ทำได้ให้จนตัวเองไม่มีกินก็สามารถทำได้แต่ไม่มีใครยอมให้ตามาตายาจริงๆนะนี่ ลองเห็นคุณค่าของการให้อยู่แล้วว่าคุณค่านั้นมันยิ่งใหญ่แค่ไหนตายตอนนี้ก็ก็ไม่ได้เสียดายอะไรเพราะเราได้เคยให้ทานไปแล้วกับคนที่ไม่เคยได้ให้ทานแล้วตายก็มานึกเสียดายไปรอรับผลคุณบุญที่คนอื่นรอเข้าอุทิศให้เมื่อไหร่อยากจะอุทิศนี้กูว่าเมื่อไหร่จะถึงวันพระสักทีว่าเมื่อไหร่มันจะไปวัสักทีว่าตื่นสายก็ตื่นสายไหวพ้พระมันก็ไม่เคยไหวพระไปนั่งรอรับผลบุญอยู่อย่างนั้นไม่ไหวถ้าได้ให้ไว้แล้วมันเป็นสมบัติของเราติดตัวไปแล้ว อย่างน้อยแสนกับทาให้ทานโดยความเลื่อมใสในพุทธศาสนานี้นะให้ทานโดยความเลื่อมใสในพระรัตรัยผลทานจะส่งผลถึงหนึ่งแสนกับอาจารย์่งเช่นดมูเางใจกว่าเดิน ม, มาด้วยสมุนีหรืว่าาเาได้ทำได้ทแต่ได้น้อยกว่าคนที่เอามาคนที่เอามาให้ได้บุญกว่ามากกว่า งเงินที่คนใช้ซื้อข้าวใส่บาตรกินฟังพระเจ้าพราเนะรเจ้าปายาสีพระเจ้าปายาสีนับถือวุทธศาสนาหันมานับถือวุทศาสนาแต่ไม่ให้ทานด้วยมือของตนเราหลับเป็นพราชาแล้วจะลดตัวลงไปให้ทานด้วยมือของตนเราไม่ไปหรอกสั่งลูกน้องไปพอตายไปแล้วปั๊บลูกน้องให้ทานด้วยความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของทานคือให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตน และรู้สึกว่าเจ้าตัวเองเป็นเจ้าของทานนั้นด้วยตนเองได้ไปเกิดสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าพระเจ้าปลายาศิพระเจ้าปลายาศิจะให้ทานด้วยทรัพย์สมบัติที่ตัวเองมีเนี่ยก็ให้ด้วยไม่ไ ม, ไม่ไม่ชักชวนคนอื่นจึงไปเกิดในวิมานที่ว่างเปล่าไม่มีบริวารอยู่ชั้นจา่าตุม้มจะตุมหาราชิกาลูกน้องไปเกิดอยู่ดาวบดึงสูงกว่าเวลาไปเจอกันอยู่ธรรมสภาเอา พระ อ, องค์ทำไมไปอยู่จาตุมล่ะเอ า, าเองไปเกิดดาวาดึงแล้วพูดเองไม่ได้แล้วตอนนั้นน่ะตอนนั้นอยู่ภายใต้อำนาจของมันมันรับถือกันโดยบุญไงเคลร ก, กันโดยบุญไงกาลังของบุญเขาก็เขาก็ระ ล, ลึกชาไ ด, ได้ได้ี่จากันได้ทํทอะไรไว้ไปเจอกันอยู่บนน่นเหมือนกับพระในครั้งพุทธการนั้นน่ะ ไปคอยแต่สวดมนต์ให้กับชาวบ้านคือไปไปบอกทำกล่าวทำสอนทำให้ชาวบ้านแต่ตนเองไม่ประพฤติทำอย่างเงี้ยพรอพินัยมีไม่รักษาพ่ะพินยัยอย่างเงี้ยมีแต่อยู่ไปตามความรู้สึกที่ตัวเองเข้าใจว่าอยู่ไปได้ชาวบ้านขอร้องให้ทําอะไรก็ทําเขาให้ทําน้ำมนต์ก็ทำํำเขาให้ทําสวดอะไรให้ก็สวดเจิมก็สวดเจิมอย่างเงี้ยขูกแขนทําเศษของขังอะไรก็ทําให้เขา ก็ไม่สมบูณ์ไงเวลาตายไปแล้วไปเกิดเป็นคนทันไง <c oughs> เป็นคนทันคือเป็นเทวดาผู้คอยบํารุงบันเลอเทวดาตนอื่นเทวดาตนอื่นจะสั่งการใช้อะไรก็ไปเป็นเทวดาขี้ข้า <c oughs> เทวดารับใช้ <c oughs> เทวดาตนอื่ น, น, ท, น, น ท, ทีนี้อุบาสกคนหนึ่งที่ฟังธรรมของภิกษุนี้อยู่เสมอ <c oughs> ก็น้อมใจไปในการปฏิบัติปฏิบัติตายแล้วไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือยังไงนี่ประมาณนี้แหละแล้วมาเจอภิกษุนี้ที่ธรรมสภา เอ่เราจำท่านได้นี่ท่านเป็นพระครั้งปอนนี่ว่ะพระนี้อายเลยทีนี้ไม่รู้จะเอาหน้าไปสูไปที่ไหนท่านทาไมมาเกิดเป็นคนทันอ่ะถ้าเป็นพระแท้ๆเนี่ยนี่แหละพระทุกวันนี้ที่คอยสวยดมนต์ตามบ้านตามเรือนตามความพอใจศรัทธาของชาวบ้านเขาที่เขานี่มนต์ไปก็จะงั้นแหละเป็นเนนทวราชั้นตา่าเป็นคนทันเป็นพวกเทวราชบำรุงบำรเลยเทวราตนอื่น เป็นอย่างนั้นเทวดารับใช้ถ้าถุวันนี้ก็รับใช้ชาวบ้านจะไม่หล่ะชาวบ้านบอกเป่าหัวให้หน่อยก็เปลวข้ะหัวหน่อยก็ข้ะเจิมให้หน่อยก็เจิมทั้งหมด ก็สังคมโดยทั่วไปวางรากฐานพุทธศาสนาผิดมาตั้งแต่แรกแท้ตั้งแต่แรกแท้วางราษารพุทธศาสนาไม่เข้ากับยุคสมัยผิดมาตั้งแต่รุ่นของอาตมาแล้วไม่ยอมว่าแต่ผิดเลยรุ่นเราแรกๆรกก็ผิดมาแล้วสวดมนต์ก็สวดเลยไม่รู้เรื่องันอะไะไม่เข้าใจก็เบื่อไนกันยังไงไม่รู้เรื่องเขาจให้ข่าวบรรจุต้องสวดมนต์ต้องยีสวดละตั ใจไปามพุ่นนแต่จะม่แล้วก็อยากลับบ้านใช่ใช่ใช่นี่ไงเด็กมันทำก็ทำไปอย่างนั้นแหละแต่มันยังแปลงไอ้หนอเราวางรากฐานพุทธศาสนาผิดมาตั้งแต่แรกแล้วในเมืองไทยนี่นะสร้างหลักสูตรผิดกันมามาไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรนะเด็กทุกวันนี้มันยุคสมัยใหม่ยุควิทยาศาสตร์เอานรกมาพูดไม่เชื่อเอาสวรมาพูดไม่เชื่อเอาผีมาพูดไม่เชื่อ รุ่นเรายังพอเชื่อยังพอใช้ได้อยู่ใช่ไหมล่ะยังยังพอใช้ได้อยู่อ๋อแบบที่เขาวางไว้ยังพอเรารับวัฒนธรรมเก่าๆดั้งเดิมมาอยู่แต่ยุคนี้มันไม่เข้ากับยุคสมัยพูดง่ายๆว่ารากธารมพุทธศาสนาเมื่อหกสิบปีที่แล้วปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นยังจะให้ใช้รูปแบบเดิมทั้งที่โลกมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะแล้วอ่ะน น, นะาขืม เมในสรอเกทอกภูมิบอกให้เชื่อนี่ัหาตายุค้มม่สงอเดี๋ยวเราจะไปว่าอย่างนั้นไม่ได้เราไม่ได้สอนให้เขาได้รู้เรื่องไม่เกี่ยวกับเขาเชื่อหรือไม่เชื่อีบางอันน่มลภาวเขาไม่พูดอะไนี่เขาพูดกับเรื่องกเรื่องเรื่องทุคติตุติในโลกสว่างมีนักซือขึ้นมาละประหลดใจมียาทาเฮ้ยเนาะ ที่ที่ซึ่งมันเป็นเรื่องหาสาระของของศาสนาเป็นนะครัมันกายไปตนาเนาะโดยจาไพิเออโรดใช้ัญญาที่เจนานอ๋เออยกชั่นี่นี่เหมือนว่าไม่ควรเชื่อทั้งหมดทั้งดนีด้วยนะมันกลายเป็นยันะนั่นีกั้นอนกหนึ่งมันกลายเปยังไปนี่แหละเรามีสานักพุทธแต่สานักพุทธไม่ทาหน้าที่ยังให้มันถูกต้องตามหน้าที่ของตน อันนี้คนแถวนี้พูดขึ้นมาเองนะว่ากินแต่เงินตมาไม่ได้พูดกินแต่เงินให้ผมไปที้นึงะพูดที่นู่นอะไปที่นึงผมไม่ทําวงแหวนมาแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> ผมบอกว่าถ้าใจมิโดกุจ้าไม่ได้เขียนเป็นคนพูดกุจ่าไม่ได้เขียนแต่บันทึกคําสอนของท่าน <c oughs> เออมาพูดกันมา ท่านเชื่อในการแตทะุของเขาเจะจ้างไหมโอวงแตกดูเลยเนาะโอ้หมาเพราะเขาก็สิ้นสอง้อยยี่เจ็ดแล้วเจ็แล้วออกมาขอโทษอ่ะผมโสงงสองไบนะผมเป็นชาวพุใช่แล้วก็เป็นนักจัดการด้วยก็อยู่ในอาณาของเป็นนกมารึเเป็นจดการเยอะจำเป็นต้องนืสาตว์เปนเนื้อสัตว์รเ่หาพคุณภาพแม่ฟังเ ไม่ต้องละอาจารย์ละคุณก็ปฏิบัติดีถึงกับสอนธรรมะแต่ก็ยังใส่บาทด้วยเงินเขาบอกมันเป็นจําเป็นในยุคนี้เขาบอกไม่เห็นมีพิธีการยางเยอะนั่นคือการรักษาพุทธานาแค่เปลือกปฏิบัติกันก็ปฏิบัติแค่เปลือกที่เราเป็นแย่ตื่นปฏิบัติดีแค่ไหนก็ตามหากยังไม่สามารถรักษาความเป็นพุทธานาให้คงไว้ซึ่งแก่นแห่งธรรมก็ยังชื่อว่าเปลือก คือปฏิบัติไม่เข้าไปถึงแก่ น, นก็นมนไม่ใช่อาจจะเป็นรอหมายถึงว่าถูกสังคมส่วนใหญ่<ม>บีบคั้นให้ทำตามแรงของกระแสคือถ้าไปทำผิดแผกจากเขาจะถูกมองว่ามไม่ดี น, น, นอกอนอกนอก<ม>ประเด็นนอก<ม>นอก<ม>นีื่ทีนี้ คนที่ปฏิบัติดียังไปมีความรู้สึกต่อคำพูดของคนอื่นหรือคำพูดยังมีอิทธิพลก่อกวนกิตใจได้อยู่ยังไม่ชื่อว่าปฏิบัติดีอาตมาถูกดา่า <c oughs> จากหลายๆเรื่องที่ไม่เข้ากันกับคณะสงฆ์ทั้งคณะสงฆ์ทั้งใครก็ตามที่เขาขัดผลประโยชน์เขาน่ะ <c oughs> เขาก็ด่ามา <c oughs> เขาก็ว่ามา พระอะไรไม่ลดน้ำมนต์ไม่ยอมสวดมนต์ตามบ้านเรือนของชาวบ้านพระอะไรไม่ยอมรับเงินเขาให้อตาตมาก็อธิบายความจริงให้กับชาวบ้านได้รู้ว่าการทำอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของพระพิสูจน์การรับเงินก็ไม่ควรกับพระพิสูจน์ที่จะรับด้วยมือของตนมันมีวิธีอื่นอีกมากมายที่เราจะสามารถขนควายปัดใจสีด้วยทรัพย์นั้นโดวยวิธีการที่เราควรจะทําให้มันถูกต้องมันไม่ใช่ว่าเอาไปใส่มือพระแให้พระเก็บไว้เป็นของจำเพาะตน วิธีนี้เราจะต้องทําเพื่อดูแลพิสูจสงฆ์ให้ปัจเจ sĩ แก่ท่านนั้นน่ะผู้ได้เจ้าทรงเปิดทางไว้แล้วว่าควรทํากันอย่างไรทําไมไม่ทำํำไม่ถูกต้องพระก็ไม่พอใจเนี่ยมีข้ออ้างต่างๆนาน า, น า, นานมากมายขึ้นมาเอาไปไว้กับคนอื่นเขาก็เอาเงินไปก็เลยต้องดูแลเองท่านดูแลเองแล้วท่านต้องอาบัติต้องโทษกับเขาเอาไปท่านไม่ได้ต้องโทษอะไรเลยท่านจะเอาอันไหน เขาบอกยอมต้องโทษดีกว่าว่าไงนั่งงนก็แบบสดงว่าเจตนาของการบวชของท่านไม่บริสุทธิ์ได้ได้จะทำก็เลยขัดแย้งไงเขาก็พยายามกล่าวเรื่องต่างๆนานาหนังสื อ, อธรรมานี่เขาทำเขาไปเผาไม่รู้กี่เล่มแล้วนีน่ที่ทำออกมาหนังสือเเรื่อง <c oughs> แล้วไม่ใช่เผาธรมรมานะทำที่ทีด้วย จริงจอะไรันเขาไม่รู้เขียนเอแล้วผมผมก็ถามว่าที่ท่านมาอาศัยกัเดยูอยู่เนี่ยท่านดเ่ออะก่อมแล้วเขาก็ด่าด่ามาหลายอย่างทั้งชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องที่เข้ากันกับเขาก็ด่ามาด่ามาด่ามาก็ไม่ได้กระเทือนอะไรก็รับรู้ในสิ่งที่เขาด่าไม่ใช่ไม่รับรู้นะเขาจะบอกหาเดียผลมาเพื่อที่จะทำให้ถูกต้องมันไม่ได้ทำให้จิตใจของอาตมา เปลี่ยนแปลงเส้น <ไป S 1> ทาง<ๆ>ในการดําเนินได้มันเปลี่ยนไม่ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราทําอะไรความถูกความผิดความพ่มพอเท็จพ่อจริงมันเป็นยังไงเรารับทราบอยู่แล้วและพ่อเท็จพ่อจริงนั้นก็นมีอยู่ในหลักคําสอนอยู่แล้วไม่ได้มีอยู่ที่อื่นไม่ไดเอามาจากอากาศบ้างๆที่ทไม่มีที่มาที่ไปที่เคยฟังว่าพระมงคลพูดเองเนาะว่าปัจจัยสิ่งน่ะก็คือเงินนี่แหละทำงานผ่าซื้อเองโยงเลยถึงกระานนั้นเราใจสิ่งนม่น เวาไปบอกไปในตลาดนี่เนาะไปไปบอกว่าไม่ควรจ่านเงินส่บาทเลยถักขายของมีเวลาไปทำอะไรลองเลาะเงินใส่บาทมาๆที่ก็ราวบาทห้าสิบาทร้อยแล้ยก็ขายนอกตัวจอตัววับอระยืนเต็มเลยวมาแล้วนเป็นภาพที่ม่ดีมตาไม่ก็อย่าไปว่าว่าภาพไม่ดีเป็นภาพที่ไม่ดีอ๋อเป็นภาพที่ไม่ดีอ๋อแล้วก็แบบ เอากับข้าวไปเดียนเทียนอันนี้เป็นเรื่องที่ปากฏต่อสังคมส่วนมากอยู่แล้วอันเนี้ยข้าวไปเยียนเทียนไหมวันนี้พะทำบุญได้น้อยไม่เดินไม่ใส่บาตรไมขาดทุนแล้วเองเรถามเราเราไปตลาด่างๆบอกวันนี้ขาดทุนตลาดใมากเละใส่บาตม่ดลอบอกวันนี้งใส่บามีโต๊ะเล็กๆตั้งเครื่องเส้นแล้วก็มีโมาาาอะไรจะย่ให้ขายของที่ดีเยอะ ขุดข <ort. S 1> ุดเรื่องนี้ไม่จบอัลมหอรมณลไปล้มันเรื่องอะไรมันไม่ใช่เื่อนมีเรื่องี่เกดอยู่มคนมาซื้อของใส่ไปเยอะเหมือนกูมายร้องตามบัไปตั้งแล้วมีองเให้ัคนมาซขอสบัปัญหาเหล่านี้ยังจะมีต่อไปตราบเท่าที่โครงสร้างทุษณาไม่ได้รับการแก้ไข โคงสร้างพุทธศาสนาเป็นอย่างไรก็เป็นมายัางไงอย่างงั้นมาทุกๆยุคทุกสมัยเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมนนไม่ยอมแก้นน<ๆ>ชาวบ้านที่ไม่ได้รู้เรื่องและเข้าใจหลักของศาสนาก็<ๆ>สนับสนุนในความผิดของพระพิสูจน์ในสังคมที่ตนเอง <ST AN CO> มีวัดลาอาลัมเป็นที่บําเพ็ญบุญกุศลอยู่ก็สนับสนุนกันไปในทางที่ผิ ด, ผดๆเขาชี้ให้ทําอะไรก็ทําให้สร้างอะไรก็สร้าง ต้องรู้ว่าความผิดความถูกเป็นอย่างไรพระเป็นญาติเราเราช่วยกันสลับเป็นทางผิดๆใช่พระก็มีก๊กมีเหล่ามีกลุ่มหากเป็นกลุ่มของตนเองผิดยังไงมันก็ยังดีอยู่หากไม่ใช่กลุ่มของตัวเองดีแค่ไหนก็เลวเขาก็จะมองเป็นอย่างนั้นไอ้นี่ไม่เข้าก๊กเรามไม่ได้มันมันไม่ดี เป็นอย่างนี้แล้วพระทุกวันนี้ทั้งหมดอะทั้งสายปฏิบัติทั้งสายไม่ปฏิบัติทั้งสายป่าทั้งสายบ้านทั้งสายไหนเป็นบ้าใช่เป็นอย่างงี้แล้วลูก่งมันก็ยังแต่ก็จะต้องุ่แบบเดียวเเขาไม่ใช่แต่ว่าคนที่แสดงะจะอยเง้อยู่เวลานี้นั้นัคยนไม่ให้เือรับทองนี่แโดนไล่ออก แล้วจนอี๋ยวนี้ไม่มีใครกล้ามาขอได้อะไรเลยเพราะรู้ว่าเราเป็นยังไงยังไงเออแต่บอกว่าถ้าเป็นสาหน้าประโยชน์เนี่ยมาเก็บจานได้นะนะถ้าไม่ไปโ่วมพัฒนาก็จะเก็บบ้านละร้อยใช่ไหมแล้วก็อะรอกบอกหรือว่ามีงานเชิญสาธารณชนที่ไม่เกี่ยวข้ติมาเิยกันให้ไม่ค่ามาคนมันใช่หรอป่ะโอ้หมอไปลองเป็นคนแปลกอะไรว่าทำไมพระต้องมีเงินมีกองไลองะอะไรก็ไม่มีเงินว่าู้หายกไม่เนเลย ีปัญหาที่พระมักจะพูดเสมอหนึ่งเจ็บป่วยแล้วเจอเงินที่ไหนไปโรงพยาบาลสองไม่มีเงินแล้วเวลาจะฉันอาหารแล้วจะเอาเงินที่ไหนซื้อกินก็ต้องมามองว่าพระเจ้าห้ามพระไม่ให้ป่วยมีไหมแล้วห้ามพระไม่ให้ตายมีไหมแต่ห้ามพระรับเงินมีไหมแต่ห้ามพระห้ามตายเงี้ยมีไหม ไม่มีเพราะฉะนั้นตายก็คือตายใช่ไหมพุทธเจ้าบอกตายก็คือตายแต่ห้ามภาพรับเงินนะห้ามแต่ตายนะตายเลย <S <S ถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ตายไปทีไหมเอาจริงจริงนะนี่พุทธเจ้าพูดจริงๆรินะนี่น <S <S ยนอยู่ไม่ได้ก็ตาย <S 2> <S 2> ถ้ามไม่ตายก็ก็สึอกออกไปทีอย่างนี้เนาะก uh, <ừ, S 1> <ho> ็เป็นอย่างนั้นอาตมาก็ถือใจอย่างนั้นมาตลอดสมัยที่อยู่ป่าไม่มีเงินไม่ตะบาดเดียวป่วยก็อยู่ในป่าดื่มน้ำปัสสาวะของตนเอง ขันเท่าที่มันพอเลยยะพยุงท่านขันไปได้ก็ยังไม่ตายนะไม่มีเงินไม่ตะบาทเดียวก็ยังไม่ตายทุกวันนี้อะไรก็ไม่รู้ทั้งอาหารเสริมทั้งยาทั้งหมอทั้งเข้ามาหาอยากจะรักษาไว้ไม่ให้ตายเน่ก็ยังมีอะไรดีๆเข้ามาดูแลรักษาอยู่ดิก็ไม่ได้ตายสักที สรวจตัวเองเะถ้าท่านพ่อวปฏิบัติดีเนาะรักษาธรรมรักษาไปไดีแล้วเราท่านไม่มีอวนหรอกใช่ไมจะมีคนอยู่ทงไหนท่านสังเกตนะกไม้อาารยอยู่ในป่าในเขาเข้าไปขนาดไหนแต่ท่านมีข้อวัดท่านรักษาธรรมก็่างถ้าท่านทำไปแล้วท่าหมดแล้วท่านอยู่ในเมืองอย่างนี้ด้วยเนาะไปเหลือเนาะอุบลยศธรมาทาไมใช่ไหเข้าปย่างมาบาดโอใช่ไหเพราะหาความปฏิบัติดีอะไรแหละถ้าท่านตวตัวเองเถอะ ทำใจอะไรกหล่แหละเจอเจอโยมถึงไปพระไปไม่เป็นเจอคนที่รู้พะวีนัยพระ่บางทีรู้มั่งไม่รู้มั่งมั่วข้างๆครูไปก็มีพระก็เลยตอนนี้ท่าครูว่าธรรมกายบางคนอกอยากเจอโยมี้นี่เขาไปอยู่ใกล้ๆจะไปอยู่ใกล้ๆหน้าประตูวัดเป็นเพื่อนเราประเทศนะเป็นเพื่อนเขาจะเป็นท่านดหรือไม่ใจ้เจ้า เป็นดนนมกายารามแล้วมีหลานไะหลานชื่อเป็นออกชื่อเรีเยได น, น, น, น, นถ่ายทอดออกไปยัามานเลยตัดไม่ได้ซะด้วยดเงี้ไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยคือพูดถึงต้องขออภัยด้วยพูดพูดถึงในสิ่งที่มันเป็นแต่ไม่ได้พูดเพื่อปลามากล่าวถึงเรื่องราวกล่าวถึงเรื่องราวของวัด พอดีอยู่หน้าวัดพอดีนะคืออ้างอิงบ้างพื้นที่ตรงนั้ น, น, นให้เข้าใจว่ามีชาวบ้านที่เรียนทําเรียนวินัยอยู่นะที่เขาทราบพฤติกรรมและขอ้อพระวินัยของพระภิกษุอยู่อะไรควรอะไรไม่ควรเพราะฉะนั้นวัดที่อยู่ใกล้บ้านบ้านที่อยู่ใกล้วัดก็ขอให้ทราบว่ามีโยมเขารู้พ่อวินัยอยู่ตรงนั้นเนเอะก็ให้ทราบกันบ้านจะทําอะไรก็ตรวจสอบพระวินัยของตนหรือถ้าตนเองไม่สามารถรักษาพ่อวินัยได้ ก็อย่าไปไปว่าอะไรใครอย่ามาโกรธกันนะอย่ามาโกรธแต่พูดไม่ได้ทำลายชื่อเสียงหรือไม่ได้ทำลายกันในด้านในแง่ไหนพูดคุยกันอยู่ในวงนี้เพื่อหาลือกันว่าเหตุการณ์ของพูทธศาสนาในเวลานี้มันเกิดอะไรขึ้นมากมายเยอะแยะ ที่ไม่ตรงกับหลักธรรมของวิเนยซึ่งโยอมก็สงสัยนําเรื่องเหล่านี้มาพูดมาปาลบมากล่าวขอให้เข้าใจอย่างนั้นหาคิดไปในด้านอื่นอันนั้นเป็นเรื่องที่ท่านคิดเองทางนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านคิดก็ส่วนของท่านเองอันนั้นนะ่ะเนาะแล้วพูดตา ม, าตามทำไม่ได้สนใจแต่ตามาก็เดินโดนมาเยอะนะโดนมแต่ไม่เคย กระเทือนกิจให้อะไรสักอย่างเพียงแต่เบื่อนายเท่านั้นเองเบื่อนายกับอะไรกับสังคมนี้มันมันทําไมมันจะพากันเดินไปในความมืดบอดขนาดนั้นเลยหรอมันจะไปตึ๊กอละไปสุดที่คําว่าเนาะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมเป็นภูมิอาจารย์สงสารหัือว่าท่านเชื่อในการแต่สรุปของพระพุทธเจ้าไหมเออครับเชื่ออยู่ เอ่ทาน้อเอออินซ <laughs> like ียังอ่อนอยู่อินซียังไม่แก่กล้าก็ทาตามยังได้ไม่มากเออยัได้ครับได้อยู่ีไม่ยุคสมัยเปลี่ยนไ้วอะไรเปลี่ยนไฟร้อนไหมเกลือเี่ยไหมลกจะมีไหมสมัยยังาอาาเปลี่ยนเออตั้งแต่สมัยท่าู้จ่าตัวเนี้ยเปลี่ยนมันจะเหมือนเดิมทุกตัวอ โอ้ไม่รู้ว่าจะมีพระรอนตัวหรือเปล่านอกมันนี่มีครับผมผมผม่้มันเปลี่ยนให้ออกกลางก็ร้องเรียนก็มี่นนี้มีกลุ่มพระดูกันอยู่มีอยู่นี่นีเนี่ยมีนี่นี่มีอยู่ใช่โยมเขาคิดกันอย่างนี้แล้วท่านทั้งหลายมันสะท้อนจริงๆแบโยมเขารู้สึกอย่างนี้กับรจะต้องปรับเองตัวเองเม่ก่อนพระเรียนจัง พระก็ยังอุ่นใจอยู่ว่าโยมที่รับเราก็มีอยู่ข้างเราก็มีมให้ปจัจใจสีกับเราเยอะแยะก็ยังมีก็แล้วแต่อะไรพระพนมโยมไม่ศรัทธาก็ในเรื่องของโยมไปจะคิดกันอย่างนี้ง่ายๆนะพระท่านก็คิดง่ายดีเหลือเกินเนาะเมือ่นน อ, อกอ่อนใครจะบวชจะเรียนที่เราไปดูแล้วนครับ แต่เดี๋ยวนี <ừ> ้เจ <ừ> ้าาพบว่าท่านทำตามนี้ได้ไหมเอาใช่ไหมถ้าท่านทำไม่ได้อย่างเลยมันเสี่ยงเนาะการบวชเป็นโกดเพื่อนเหลือเนี่ยนเหมือนเดิมคงไมิตรนะคุณพลาทีเดียวคุณบาดอะไรก็เจอเลยแล้วไม่ได้รับบแต่ชาตนี้ด้วยเหมือนอย่างานโยมบวชอะแล้วโยมก็บอกญาติญาติทางทางทางหลานบอกว่ายาเงินใสบะตรคพระนเรศวบฒิอยู่เยะเพิ่งสกพวกเนะเขาไม่ถือใส่ไม่ได้ อะไเงี้ยโบพืท่าแบบไม่ฟอรจังลยแม่งจังไพรกำมันล้านหลังก็สวยกันเลยบอกจังไพรสวยเลยเลยเป็นพีต่แต้มเลยแตก่งเลออกมาจากโบก็เป็นนิสสกีจะเป็นนิสสกี้ยัจิทีแล้วเรียบร้อยเลยโหนใช่ไโยมเขารู้วินัยขนาดนั้นรู้วินัยค่ะไม่รู้อ่ะังไไม่ได จริงบางครั้งมัยนมรู้สึกนี้จริงๆแล้วต่อไปมันจะมากคุณแล้วต่อไปเลื่องอย่ามโทษศาสนาอื่น่ากเขาทำลายจริงอย่ามาโทษเลยถ้าเป็นเช่นแข็นแล้วใครจะทําลายไม่ได้แต่แต่ก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจเราก็ต้องเข้าใจว่าศาสนาก็ต้องถึงคราวที่จะต้องเสื่อมอยู่แล้วเพราะมันไม่มีอะไรเที่ยงแม้แต่ศาสนาก็ตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงคือต้องคำสอนพระเจ้าจะถูกลบเลือนไปลบเลือนไปแล้วถูกแทรกเข้ามาด้วย ความเห็นและทิฏฐิของคนยุคหลังก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละ ก, ก็ต้องกบเข้ามากบเข้ามาอ ไ, อไอเราก็พูดไปก็พูดไปอย่างงั้นแหละพูดไปแบบเปย์ๆถึงพูดไปพอให้ได้ยินรับรู้กันเผื่อมีกลุ่มที่จะสามารถแก้ไขตนเองได้ก็แก้ <No. S 1> กับกลุ่มที่แก้ไม่ได้อันนั้นก็ปล่อยให้เขาเสื่อมไปตามวิถีของเขาเพราะเขาอยู่ในยังไงก็อยู่ในทางเสื่อมอยู่แล้ว oh. แต่จะพูดถึงในส่วนของผู้หวังความเจริญ ว่าฟังแล้วจะยึดถือตามทางแห่งหลักคำสอนนี้ไปถึงความเจริญเอาตัวเองไปเจริญกับาศาสนานี้หรือเปล่าหรือจะปล่อยให้ตัวเองเสื่อมจากหลักคำสอนที่มีอยู่โดยสมบูรณ์แบบอยู่เนี้ยซึ่งมีสาระแก่นสารภายในหลักคำสอนอยู่ก็คิดเอาเป็นเรื่องสติปัญญาของบุคคลใช่ไหมละ่ะก็เร า, า, าก็ต้องวางใจอย่างนี้ส่วนเขาจะทตามไม่ทาตามรู้แล้วเขาจะมีผลสะท้อนกลับมาอย่างไร เ ป, เป็นเป็นส่วนห น, หนึ่งที่เขาได้ได้ยินได้ฟังกันเองแนะเขาจะสะท้อนออกมาก็มีอยู่มีการสะท้อนออกมาหลายอย่างอยู่นในในในการทําเพจนี้ออกมามีสะท้อนออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยเื ย, ยื่อย่างเงี้ยก็ได้กล่าวตอบกล่าวแก้กล่าวอะไรกันไปในๆๆหลายๆจุดหลายๆแง่หลายๆมุมเพื่อเกิดความเข้าใจทั้งนี้ที่ อธิบายทำหรือพูดคุยธรรมะหรือสุนทนาธรรมกันในกลุ่มนี้ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจมีความเห็นตรงกันและให้รับทราบหลักธรรมตามพระวินัยว่ายังมีบุคคลผู้พืพ้นตามหลักธรรมหลักวินัยอยู่ไม่ใช่มีบุคคลมาทําลายพระวินัยกันทั้งหมดอย่าไปมองเหมือนกันว่าพระทุกวันนี้คงจะเหมือนกันหมดไ ม, ไม่คิดอย่างนั้นนะผู้ที่รักษาธรรมวินัยมีอยู่เกรงใจกันบ้างนะโยมที่เขารู้ธรรมวินัยมีอยู่เกรงใจกันบ้าง จะทำอะไรก็ทำอยู่ในวงของท่านก็ทาไปแต่ท่านก็ต้องรับผิดชอบการกระทาของตัวเองด้วยนั่นก็คือสิ่งที่เป็นกดตายตัวอยู่แล้วหรือเป็นสัจจ์ยอยู่แล้วไมนะ่หลักดังนั้นในการพูดหรือการสนทนานั้นจะต้องไม่มีเรื่องที่จะเอาไปเป็นความบาดหมางกันไม่ดีอไนันเเราก็ไม่เห็นบาดหมางใครเนาะเราเราพูดเพื่อตามหลักธรรมหลักหลักคสอน แล้วก็ดีตาามหละนนัพูดเสร็จะอยู่ได้อีกนานหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วเนี่ยก็ไกลเกลียวไปอย่างนั้นแหละเอาละมั่งพอสมควรแก่เวลาเดี๋ยวเรานอกนอกอะไรละหลังไมั้หลังไม้ดีกว่า